50 languages. 64 6 t การปฏิเสธหนึ่ง n ไม่เข้าใจคาศัพท์ I ไม่เข้าใจประโยค มไม่สยงุ่เลกนี้คราหาดิฉันไม่เข้าใจความหมายผมไม่เข้าใจความหมายคุณครูอาจาร teacher คุณเข้าใจคุณครูไหมคะคุณครูเข้าใจอาหค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี जी ฮ่าเเมื่อุนเฮอั छ ฉ त ตระห์สมัจจาคุณครูอุตานีเลดี้ทเชอร์คุณเข้าใจคุณครูไหมคะเคยบอุตานีกูสมัจเรฮหค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี जी ฮ่าเเมุ่นสมัจจาผู้คน ลกูกคุณเข้าใจผู้คนไหมคะแก่คุณเู้มคะก้าใ้ไหมะ่ดิฉันไม่เข้าใจพวนไมก่เข้าใจกเขากเ่าไหรก่คเาไหมแ่คุณใ้นไมะ่คุณเขาใจ้ไหมคะ่คเขาหมคะแ่อนหญิงแฟนสหมคะคุณมีแฟนไหม ค่ะดิฉันมีจีฮันมีรีเอกส์เฮลีลูกสาวเด็กคุณมีลูกสาวใช่ไหมค่ะดิฉันไม่มีลูกสาวไม मेरी कोई बेटी नहीं है।